สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิเธียภิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยสองคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่เจ็ดสิบเจ็ดพี่น้องครับเมื่อเวลาเราอธิษฐานว่าขออย่านาข้าพพงเข้าไปในการทดลองในวันนี้ผมอยากจะนาเสนอความจริงห้าประการเกี่ยวกับการทดลองที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นคริสเตียนความจริงสำคัญห้าประการนี้ ทำให้เรารู้และครอบคลุมถึงลักษณะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าและเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ความจริงประการแรกก็คือว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้บุตรของพระองค์ถูกทดลองได้พระเจ้าทรงอนุญาตให้บุตรของพระองค์ถูกทดลองได้ที่เป็นความจริงประการแรกความจริงประการที่สองก็คือว่าเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้น อาจจะล้มลงได้ในความผิดความบาปเพราะเนื่องจากความอ่อนแอของเนื้อหนังเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆประการที่สามพระเจ้าคาดหมายหรือคาดหวังให้บุตรของพระองค์นั้นมีชัยชนะต่อการทดลองพระเจ้าคาดหวังให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นชนะการทดลองประการที่สี่ คำอธิษฐานของพระเยซูสามารถช่วยเราให้ชนะการทดลองได้เมื่อเราอธิษฐานและเราเข้าใจและเราทําความรู้จักให้ดีกับคําอธิษฐานประโยคนี้และสุดท้ายครับความจริงสําคัญประการที่ห้าก็คือชีวิตแห่งชัยชนะต่อการทดลองนั้นมีอยู่จริงครับเพราะฉะนั้นในอาทิตย์หน้า เราจะาพูดถึงเกี่ยวข้องกับความจริงห้าประการนี้ทีละอย่างทีละอย่างครับพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานขอพระเจ้าให้อย่านําเราเข้าไปในการทดลองเรากําลังทูลขอพระเจ้าให้ชีวิตของเรานั้นอยู่บนเส้นทางของความชอบธรรมความถูกต้องครับถ้าเราพิจารณาคําทูลขอก่อนหน้านี้บอกว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองมีการเชื่อมโยงครับก็คือความผิดบาป ในอดีตของเรานั้นก็ทําให้เรานั้นมีความกลัวต่อบาปมีความเศร้าเสียใจมีความปรารถนาที่จะกลับใจใหม่นี่คือท่าทีที่เกิดขึ้นในใจเมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพงศ์แต่เมื่อเราอธิษฐานต่อว่าขออย่านําข้าพงศ์เข้าไปกรลองนั้นขออย่านําข้าพงศ์เข้าไปการทดลองนั้นเน้นอยู่ที่ความบาปในนาคตครับนะครับเพราะฉะนั้น มีการเชื่อมโยงของสองประโยคนี้ระหว่างขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพรงและขออย่านำข้าพรงเข้าเป็นการทดลองก็คืออดีตการและอนาคตการเพราะฉะนั้นคาทูลข อ, อก่อนเน้นที่ความบาปจริงคาทูลขอนี้เน้นที่ความบาปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความบาปที่อาจจะเป็นไปได้อาจจะเกิดขึ้นได้บาปที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริง นะครับแต่ครับพี่น้องครับในสภาพว่าความนจริงแห่งอนาคตนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ถ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานนี้และถามว่าน้ำารทัยของพระองค์พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานนี้ด้วยคำว่า yes หรือคำว่า no ครับคำตอบก็คือว่า yes พี่น้องครับพระเจ้าอนุญาตให้บุตรของพระองค์ถูกทดลองได้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ เมื่อเราอาธิษฐานว่าขออย่านำเข้าพงเข้าไปการทดลองนั้นจริงๆแล้วมีสาระสําคัญอยู่สามประการด้วยกันนะครับสาระสําคัญประการแรกก็คือว่าเราจะต้องมีท่าทีแห่งการเกรงกลัวต่อบาปกับบาปที่เจมลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเหตุที่ว่าเรามีประสบการณ์กับความขมขื่นปมแห่งความบาปในอดีตมาแล้วอย่างไร สิ่งเหล่านั้นเป็นบทเรียนและทำให้เกิดความกลัวครับเกิดความเกรงกลัวต่อบาปนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังยอมรับว่าเราจำเป็นต้องมีพระเจ้าเป็นผู้ทรงนำและตอบคำอธิษฐานของเราเรากำลังขอพระเจ้าไม่ให้เลิกเป็นผู้นำชีวิตของเราเรายอมรับพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูเขาพระเจ้าดูเลี้ยงแกะเหมือนกับในพระธรรมเุดีบทที่ยี่สิบสาม ขอพระองค์นำชีวิตของพวกเราในฐานะเป็นผู้เลี้ยงแกะเราทั้งหลายเป็นแกะของพระองค์และในพระน้มยอนบทที่สิบข้อที่สี่ก็บอกเช่นเดียวกันครับเป็นการให้พระเยซูเป็นผู้ต้อนแกะนะครับเป็นผู้เลี้ยงแกะเป็นผู้นำของแกะความว่าอย่างนี้ครับเมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้าและแกะก็ตามท่านไปเพียงครับ เมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำเข้าโครงการทดลองนั้นเราไม่ได้ฐานว่าขออย่าทดลองค่าพระองค์เลยพี่น้องครับผ่านมาหลายวันเรารู้ใช่ไหมครับว่าความหมายของกำว่าการทดลองนั้นในภาษากรีกนั้นเป็นความหมายกลางๆครับแต่เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลว่า temptation ซึ่งมีความหมายในแง่ลบก็คือเป็นการล่อลวงของมารซาตานพี่น้องครับแต่ผมอยากจะให้พี่น้อง ได้มีโอกาสที่จะสัมผัสกับความจริงและสัจธรรมกษษษษษษษ็คือว่าพระเจ้านั้นจะไม่ทดลองเราครับเพราะว่าพระเจ้าประเสริฐคำว่าทดลองตรงนี้ก็หมายถึงการล่อลวงครับเพราะว่าเป้าหมายของพระเจ้านั้นพรงให้เราอยากจะให้เราผ่านครับพระองค์ไม่ได้ปรารถนาให้เราตกเพราะฉะนั้นเมื่อการทดลองนะครับในมือของมารซาตานั้นมันจึงกลายเป็นการล่อลวง แต่ถ้าอยู่ในมือของพระเจ้าหรืออยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าก็กลายเป็นการทดสอบครับพี่น้องครับโปรอย่าลืมว่าเพิ่มพีบอกกับเราชัดเจนนะครับว่าเมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลงล่อให้หลงล่อตรงนี้หมายถึงล่อลวงครับอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อเขาพระเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เอง <c oughs> ก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลยพี่น้องครับจากเพิ่มพีตอนนี้นะครับ เราพบความจริงก็คือว่าพระเจ้าจะไม่ล่อลวงเราอย่างแน่นอนนะครับพระเจ้าจะไม่ล่อลวงเราพระเจ้าจะไม่ทดลองเราเพื่อที่จะให้เราตกไม่ใช่ครับไม่มีเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระองค์ประเสริฐพระองค์ไม่ทดลองเราเพราะว่าพระองค์นั้นปรารถนาที่ให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราอิจฐา น, นะครับว่า ขออย่านําข้าพงค์เข้าไปในการทดลองเราไม่ได้อธิษฐานว่าขออย่าทรงอนุญาตให้ข้าพงค์ถูกทดลองคําอธิษฐานนั้นปฏิเสธโลกชนิดที่เราอยู่ครับเป็นการที่ว่าไม่ปรารถนาอยู่ในโลกนี้แล้วพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะโลกนี้นั้นมีการทดลองมีการทดสอบมีการล่อลวงเสมอชีวิตนั้นคือการทดสอบเราเป็นเหมือนเด็กเล็กๆครับที่อยู่ในโลก ที่มีป้ายมากมายและบอกว่าสียังไม่แห้งระวังลื่นแต่ธรรมชาติของเรานั้นก็เหมือนกับเด็กครับคืออยากจะแตะอยากจะเดินเข้าไปที่ที่มีน้ำเพราะเด็กอยากเล่นน้ำพี่น้องครับนี่คืออย่างแรกครับก็คือท่าทีแห่งการเกรงกลัวบาปนะครับขออย่านําค่าพพงเข้าขอนการทดลองนั้นเป็นเสียงเรียกร้องของหัวใจครับเป็นเสียงเรียกร้องของหัวใจที่ได้รับความเสียหายจากความบาป เป็นท่าทีแห่งการเกรงกลัวบาปครับคำอธิษฐานนี้ออกมาจากสมองที่มีประสบการณ์ที่มีความรู้ถูกต้องเรื่องของความบาปและมันยังออกมาจากหัวใจออกมาจากหัวใจที่รู้สึกอยู่ในภาวะคุกคามของความบาปที่อยู่รอบตัวของเราพี่น้องครับคนคนหนึ่งนี้จะรู้สึกถึงความเสียหายความร้ายกาดความร้ายแรง ของบาปก็ต่อเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเขานะครับเราจะได้รู้สึกถึงความเสียหายของความบาวว่าหนักหนาสหัสขนาดไหนแต่เราไม่ต้องการรู้สึกและเสียใจอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นคาอธิษานนี้จึงกลั่นมาจากห้วงลึกของหัวใจครับนะครับนอกจากสมองของเราที่เราคิดได้ที่เราให้เหตุผลได้แต่มันเกิดจากความเกรงกลัว ถ้าตีของความเกรงกลัวที่มีต่อความบาปแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นศาสนาศาสตร์ที่จะต้องใช้ความรู้ลึกซึ้งมากมายนะครับแต่เราอาจจะใช้หัวใจของเราอธิษฐานได้ครับว่าผมฉันเคยอยู่จุดนั้นที่เต็มไปด้วยความบาปมาแล้วและผมไม่อยากจะไปที่นั่นอีกพี่น้องครับนี่คือท่าทีของคำอธิษฐานประโยคนี้ครับ ชีวิตอย่าลืมนะครับคือการทดสอบพระเจ้าสามารถทําให้เราเป็นทูตสวรรค์นในสวรรค์ที่ไม่ทํำบาปได้ครับแต่มันจะปัสจากประโยชน์ที่ทูตสวรรค์จากที่ฐานว่าขออย่านําข้าพพงเข้าไปในการทดลองเพราะาทูตสวรรค์ น, นั้นไม่ต้องถูกทดลองและเขาไม่สามารถไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นเมสเซนเจอร์หรือเป็นผู้ส่งสารหรือผู้สื่อสารนะครับคล้ายๆกับหุญญ่นยนต์นะครับ แต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นหุ่นยนต์พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเสรีภาพทางศีลธรรมและมีอำนาจตัดสินใจครับพี่น้องนะครับในวันนี้ก็ขอจบด้วยลงด้วยท่าทีประการแรกก็คือคําอนิฐานนี้แสดงถึงท่าทีแห่งความเกรงกลัวต่อ บ, บาปที่กลั่นกรองออกมาจากส่วนลึกในหัวใจของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าอาเมน